ข้อที่ห้าสิบแต่จริงแม้การครบคนพาลชื่อว่าไม่เป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมทรามด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกอสัตยรุษย่อมเป็นที่รักของบุคคลนั้นเขาไม่ทำพวกสัตยรุษให้เป็นที่รักเขาชอบใจทำของพวกอสัตยรุษข้อนั้น เป็นทางของบุคคลผู้เสื่อมทรามบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอสันตัสสัความว่าพวกอาสัตบุตรคือพวกคนไม่ดีมีครูทั้งหเป็นต้นย่อมเป็นที่รักของบุคคลนั้นบาพระกาถาว่าสันเตนะกุรุเตปียังความว่าเขาไม่ทำสัตวบุุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ให้เป็นที่รักของตนก็ในบาปพระกาถานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำความต่างแห่งวจนะว่าสันเตปิยังด้วยสามารถเวนยสัตว์ทิฏฐิ62ิและอกุศลกรรมมาบท10ชื่อว่าธรรมของพวกอาศบรุษเขาชอบใจคือรักใคร่ในแก่เสพธรรมของอาศบรุษนั้น บทว่าตังเป็นต้นความว่ากรรมสามอย่างคือความเป็นผู้มีอาศับุรุษเป็นที่รักหนึ่งความเป็นผู้ไม่มีสัตว์บรุษเป็นที่รักหนึ่ ง, ค ว, งความชอบใจทำของพวกอาศับุรุษหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้ากลัดว่าเป็นทางของบุคคลผู้เสื่อมสามคือว่าเป็นเหตุแห่งความพินาศของบุคคลผู้เสื่อมคือผู้พินาศอยู่ แต่จริงบุคคลผู้ประกอบด้วยกรรมสามอย่างนั้นย่อมชิบหายคือเสื่อมได้แก่ไม่ถึงความเจริญในโลกนี้ในโลกหน้าเลยเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นทางของบุคคลผู้เสื่อมสามดังนี้ระถาว่าด้วยการครบบัดิตและการไม่คบคนผานจบ